พุทสรัสดิค่ะท่านผังที่เคารพค่ะราการสัสนิษฐนนานะนะคะทีฉันสัสนสีนาภงเป็นผู้ดำเนินรายการก็มาพบกับท่านทั้งหลายกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันสําคัญของประเทศอีกวันนั่นก็คือวันฉัตรมงคลซึ่งมีการเฉลมิมฉลองนับลืมปิติมากสําหรับประสงฆ์นิกรที่มีความจงรกักภักดีทางในภาคของประชาชนแล้วก็ทั้งในภาคส่วนอื่นๆรวมถึงรัฐบาลด้วยนะค ะ, ะสําหรับรายการของเราค่ะ ก็เป็นาการที่นาสิ่งที่คิดว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดบนโลกใบ น, นี้แล้วละ่ะมามอบให้กับท่านทั้งหลายแต่อย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณานะคะเพราะแม้แต่ผู้ที่เป็นต้นตำรับของสิ่งที่พิเศษสุดที่ดิฉันว่าคือพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ยังกลัาวว่าการจะเชื่อต้องอย่ารีบเชื่อต้องให้เชื่ออย่าง รอบครอบอย่างพิจารณาถี่้วนดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ปฏิบัติแล้วก็ได้พบเห็นประจักษ์ด้วยตนเองนะคะเป็นพวกปจัจจตั้งคือประสบพบได้ด้วยตนเองนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราราการนี้ให้ท่านได้มีโอกาสประสบได้ด้วยตนเองด้วยการที่แนะให้ท่านปฏิบัติด้วยมีครูบาอาจารย์สอนบอกทางในการปฏิบัติด้วย ตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยพร้อมๆกับจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวชนะหมายความว่าทําให้เราเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธองตรัสไว้อย่างท่องแท้มากขึ้นนั่นก็คือพระภัยบณ์หรือว่าพระมหาภบูรณญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศุดรนธานีนะคะกราบน้ำสกการกับท่านคะเชิญปา น, นเวลาเรามาฟังธรรมะก็ให้ปฏิบัติทําไปด้วยได้เลยแต่โดยการให้มาตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจ จีตขเราถ้ามันไปคิดนั่นนี่โน่นวุ่นวายไปเราก็ต้องมีที่อยู่ที่ตั้งที่ระลึกถึงให้เขาที่อยู่ที่ตั้งที่ระลึกถึงในที่นี้เราก็ใช้ลมหายใจของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงโดยให้เรามากําหนดระลึกถึงสัมผัสที่เรารับรู้ได้จากลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติคือลมหายใจที่เข้าออกอยู่ในทางเข้าออกของลมหายใจนี่คือในบริเวณโรงจมูกของเรา เราจะรับรู้ถึงสมัดตรงนี้ได้ในการรับรู้ตรงนี้อาจจะแผ่วเบาบ้างอาจจะแรงบ้างแลวก็แต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ให้ใช้บริเวณนี้เป็นที่เราจะมารับรึกถึงลมหายใจของเราเวลาที่จิตของเราตั้งอยู่ที่นี่แล้วมันอาจจะมีความคิดนึกใดๆพุชช้าเคยเปรียบเหมือนกับที่สัสตว์ทั้ง6ชนิดผนะูกอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักปลายเชือกข้างหนึ่งผนะูกอยู่กับเสาปลายเชือกข้างหนึ่ง อยู่กับสัตว์6ชนิดนะซึ่งเหมือนกันว่าจิตของเราในขณะที่เรารู้ม่าใจอยู่นี้มันอาจจะมีความคิดนึกใดๆเกิดขึ้นนั่นคือสัตว์ก็พยายามจะดึงไปตามทางของมันอย่างไรก็ตามถ้าจิตของเรามีสติอยู่อย่างนี้นะั่ถือว่าถูกต้องดีแล้วการปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะละตัณหาเพื่อที่จะตั้งสติให้เกิดขึ้นเวลาสติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องตรวจหาหัวลูกศร หัวลูกศรในที่นี้ก็คือตันหาที่มันมีพิษคืออวิชาตันหาที่เราต้องค้นหาเพื่อที่จะถอนมันออกรวมถึงพิษต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายเราด้วยเนี่ยพระเจ้าได้เคยพูดถึงตันหาไว้เราไปทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ตรัสในเรื่องของตันหาไว้ยอย่างนี้ว่าตันหาอันมีธรรมชาติเหมือนเครือข่ายเป็นเรื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแปรกว้าง เป็นเรื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตานานี้นั่นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกกลุ่มห่อหุ้มไว้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุดรังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุนชะและปะปะชะจึงไม่ล่วงพลนบายทุกติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้ตานาที่มี ธรรมชาติเป็นเครื่องขายดักสัตมนั้นคือความคิดนึกที่สั้นไปด้วยตนา18อย่างที่เข้าไปจับยึดขันอันเป็นภายในและที่เข้าไปจับยึดขันนั้นเป็นภายนอกเช่นความคิดนึกไปนในทางที่ว่าเรามีเราเป็นความคิดนึกไปนในทางที่ว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่เป็นต้นความคิดนึกในทางเหล่านี้แหละ18อย่าง ทั้งที่เป็นอดีต ด, ด้วยอนาคต ด, ด้วยและปัจจุบันด้วยรวมเป็นตันหาวิจริตร้8อย่างนี่แหละตันหาร้ออันมีธรรมชาติเหมือนเครือข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตันหานั่นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมห่อหุ้มไว้ ถูกทำไม่ยุ่งเหยิงเหมือนด้ยุ่งประสานกันสับสนดุดรังนกหนุงนางเหมือนหญ้าผงหญ้ามุนชะและหญ้าปัปปะชะจึงไม่ล่วงจากอบายทุกขติมินิบาตและสังสารวัฏไปได้ตัณหานี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องละเวลาที่เรามีสติตั้งอยู่กับลมหายใจของเราอย่างนี้เราสามารถที่จะละตัณหาได้แน่นอนเจารย์ปอนสาธุค่ะ วันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมกับพุทธวจนะในบทที่เกี่ยวกับเรื่องของตัณหาใช่ถ้าชื่อของพระสูตรนี้เต็มๆนีไหมคะท่านค ะ, ะพระสูตรนี้หัวข้อก็คือตัณหาร้อยแปดตัณหาร้อยแปด่แต่ที่ฉันฟังดูเหมือนกับมีตัวเลขสิบแปดด้วยก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าอตอนแรกฟังสิแปดตอนหลังได้ยินร้อแปมันคนนั่งสมาธิยังไม่เก่งอนะนะคะนั่งลเพลินไป <laughs> อ, <ะ> อ, อ้าวเราฟัง ผิดหรือว่าพระพูดผิดเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกค่ะสิบแปอย่างเนี่ยคือตัณหาเนี่มันเยอะหลายอย่างใช่ไหมพระบรุญช้าเนี่ย <c oughs> จึงแยกแยะแจกแจงคือถ้ามันมันวุ่นวายไปหมดก็จะงงก็เลยแยกรวบให้ว่าตรงนี้คือตรงนี้นะสิอย่างที่พูดถึงเนี่ยคืออันเป็นภายในนะครั้นเป็นภายใน <c oughs> และภายนอกก็จับอีก18อย่างนะีรวมเป็น36อย่าง36อย่างในะอดีตอ น, นาคตปัจจุบันนะสามคูณสได้หนึ จึงมาลงตัวที่เลขหนึ่งร้อยแปดนี่คือตัญหา108ร้อยแปดจึงมีคําพูดที่เรียกว่าปัญหาร้อยแปดอยู่ตรงนี้งง อ, อค่ะท่านคะยัเงเคยได้ยินตัวเลขร้อยแปดในทางโลกโลกเยอะเหมือนกันนะคะปัญหาร้อยแปดบางคนคือเหมือนจะพูดว่าเรื่องมันเยอะอนะคะฮะใช่ไม่ทราบว่ามีที่มาเดียวกันหรือเปล่าก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับตัวเลขนี้แต่ที่ฉันอยากจะถามท่านไปบุญว่าประเด็นที่ ท่านได้นําเอาพุทธวจนะบทนี้มานำการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พวกเราได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ต้องการให้ทราบว่า108นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรือว่าอย่างอื่นคะต้องการให้ทราบว่าความยุ่งเหยิองอีหลงตรงนังที่พระเจ้าเปรียบเทียบนะกับเรื่องของจิตใจของคนเนี่ยนะเพราะด้วยตัณหานี่ยเองนะมาต้องการจะยกตัวอย่างที่ที่พระเจ้ายกตัวอย่างให้เนี่ยคือเรื่องของรังนก นะยิ่งช่วงนี้มีฝนตกที่วัดเนี่ยเราก็ลมพัดแรงมากเลยเรังนกที่มันอยู่บนต้นไม้มันก็ตกลงมาธรรมะก็จะเห็นว่าโอ้มันนกเนี่ยมันเอาไม้อะไรตามมาเสียบกิ่งไม้ใบม้อะไรจนกระทั่งมันยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนรังนกจริงจริงทำให้นึกถึงพระสูตรนีนะ้ว่ามีความยุ่งเหยิงอิรุณตรงหนังหรือว่ารากของหญ้าของต้นไผ่รากของหญ้าในที่นี้พระเจ้าพูดถึงหญ้ามุนชารญยาปั ป, ะ, ปะชะ ก็เป็นลักษณะพันเดียวกับพวกต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยรากของมันเนี่ยโอ้โหยุ่งตรงนางมากเราไม่รู้เลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอันนี้เปรียบเทียบกับจิตใจของคนนืที่ว่ามันคดมันโกงมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเดี๋ยวคิดเรื่องนี้นั่นนี่ก็เพราะตันหานี่แหละความคิดนึกที่เป็นไปด้วยอํานาจของตันหามันพาไปตร่านี้ค่ะนะคะแล้วก็สําหรับอย่างที่ฉันวันวันหนึ่ง บางวันนะนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยคิดอะไรเลยอื ม, มันจะตุงนางไหมคะท่านคะความที่ไม่คิดนี่ น, นี่ความคิดนี้ส่วนหนึ่งนะที่เราเป็นคิดเป็นคําพูดอยู่ข้างในใจใช่ไหมแล้ววันวันบางทีเนี่ยเราไม่ได้คิดเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีไม่มีตันหานะแต่ตัญหาเนี่ยมันซ่อนอยู่เนี่ยซ่อนอยู่เช่นเราไปยึดว่าสมาธินี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยความยึดว่ายังมีตัวตนฉันมีอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตันหาอันหนึ่ง อ้าวหรอคะตัญหานี้ไม่เพียงแค่ว่าคือดิฉันเข้าใจว่าคนทั่วไปน่ยจะรู้จักคําว่าตันหาที่แปลว่าความอยากาก็เลยนึกว่ามันต้องชัดเจนนะอยากโน่นอยากนี่อยากนั่นจึงจะเรียกว่าตันหา อ, อันนั้นก็เรียกว่ากามตันหาใช่เป็นหนึ่งในตันหาสามอย่างอยากโน่นอยากนี่อยากนั่นนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายพวกนี้คือกามตันหานคือสิ่งของภายนอกใช่ไหม ทนี้อยากอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าอยากมีอยากเป็นนะฉันเป็นตัวของฉันอย่างนี้ฉันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือก็เรียกว่าภาวะตัณหานะอีกอย่างหนึ่งคืออยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นนะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากนะแต่อยากที่จะไม่เพราะนั้นตรง น, นี้ก็เป็นวิภวตัณหาก็จะมีอยู่สามกล่องเรื่องของตัณหาค่ะก็สรุปแล้วก็คื อ, อท่าน กำลังจะสะท้อนให้พวกเราได้รู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพวกเราจะต้องประสบกับภาวะที่เรียกว่าเป็นตัณหาคือเหมือนกับถูกเครื่องคายดักสัตว์ใช่ใช่ใช่เครื่อง่ายดักเอาไว้นะทีนี้อาการของมันนออกมาเป็นยังไงทีเมาตล้วการอธิบายเพิ่มเติ ม, มคือว่าเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกันนะเช่นบาง <c oughs> ทเาีเร า, เาถูกขโมยของ แต่ว่าหรือประสบข้อกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปโทษนี่เทวดาบรรดาลนะหรือว่าฟ้าประทานเป็นกรรมเก่าเพราะไอ้นั่นมันทําฝ่ายนี้ทําฝ่ายโน้นทํานะหาแต่สิ่งภายนอกที่ว่าจะเป็นเหตุของปัญหานี้คุณก็จะพยายามหาขื้นเพราะว่ามันเชื่อมไปหมดความคิดมันปรุงแต่งไปตามสิ่งที่เราตัณหามันจะพาโยงไปโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาเนี่ยอยู่ภายในใจของเราคือเจ้าตัวตัณหา ย, ยิ่งไปกว่านี้ค่ะคือที่พูดพูดมานี่ดูเหมือนกับว่าพวกเราก็เป็นกันอยู่ทั้งนั้นเลยใช่จนบางครั้งเที่ฉันเคยสงสัยเหมือนกันครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เหตุผลหรอกแต่เหมือนกับว่ า, าเราพยายามหาหาเหตุให้กับผลที่มันเกิดขึ้นใช่หายัางไงก็ได้ให้ฟังดูดีมีเหตุมีผลใช่แล้วแล้วไอ้ฟังตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันเป็นไปได้คือคือเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลก็คิดนั่นนี่ขึ้นมาแต่มันเป็นไปทางอื่นแล้วก็ไม่เจอต้นตอของมันนี่คือความร้ายกาจของตัณหาอยู่ตรงนี้ว่าเราหาต้นตอของมันไม่เจอเนีมันยุ่งไปหมดตรงนี้ค่ะนั้นสิ่งที่เรียกคิดว่าพวกเราต้องทําความเข้าใจเพิ่มก็คืออย่าคิดว่าคําว่าตัณหาในหมายว่าความอยากเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตัณหา ที่เป็นนามธรรมอย่างที่ท่านได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใ ช, ใช่บางท่านก็แปลดีนะใช่คำว่าความทยานอยากติัธหา<ม>อืมค่ะทีนี้เจ้าตัวธนาเนี่ยธรรมชาติของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเหนียวนะมีธรรมชาติแผ่ซ่านไหลนองยึดโยงแต่เป็นเครือข่ายนะเเครือข่ายที่เราเห็นมาอาจจะเป็นใยแมงมุมเ อ, อ่อเครือข่ายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกใต้น้อย่างนี้นะ อันนี้ไม่ใช่เครื่องรัดที่มันจะมาผูกเราได้เลยบางคนอาจจะคิดถึงเครื่องจองจำเช่นโซ่ตรวนอะไรต่างๆาเครื่องผูกเชือกที่มันมีความแน่นหนาเพราะนั้นจะไม่สามารถจะจองจำจะรัดรึงได้เพราะมันจะมีอะไรมาตัดออกได้แต่ถ้าตัญหาถูกจองจำ ถ, ถูกรัดรึงด้วยตันหาเนี่ยมันรัดไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยากนะรัดให้เราอยู่ในภพนี้ข้ามภพข้ามชาติ มีความคิดถึงกันอะไรไปเรื่องใหม่ไปเลยตรงนี้นะคะค่ะนอกจากนี้ตัวตัณหาเนี่ยมันยังมีพิษของมันอุปมาอุปไมาณหนึ่งที่พุทเจ้ายกตัวอย่างก็คือตัวตัวตัณหาเนี่ยเป็นหัวลูกศรหัวลูกศรเราจะเปรียบเทียบกับหัวลูกปืนก็ได้ลูกปืนหัวของมันเนี่ยมีพิษด้วยอาบยาพิษเพราะฉะนั้นถ้ามันเราถูกแทงแล้วเนี่ยเราจะเจ็บ นตรงที่แผลที่ถูกแทงแล้วก็พิษของมันคืออวิชานะความที่พิษคืออวิชาเนี่ยทำให้มันแผลมันกระเริ้อถ้าพิษมันแล่นเข้าหัวใจมันเราจะเจ็บจี๊ดมากทันทีอ่าก็เปรียบเหมือนเวลาที่เราอยากในสิ่งใดดอยากจะเป็นตัญหาประเภทใดก็ได้แล้วแต่ใน3ประเภทนี้เนี่ยถ้าบอกว่าตอนที่เราโดนแทงเนี่ยเรายังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าความที่อวิชามันมันบังอยู่นะเหมือนกับตอนที่เราถูกยุงกันเนี่ย ตอนที่ยุงมันแทงเก็มลงไปเนี่ยเราจะยังไม่รู้สึกจนกว่ามันจะเริ่มดูดเลือดแล้วเราจะเริ่มรู้สึกคันนั้นก็เป็นลนักษณะเดียวกันว่าตอนที่ถูกแทงเราจะไม่รู้แต่พอตอนที่พิษมันเข้าไปแล้วนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพิษมันเข้าสู่หัวใจนี่เราจะเจ็บมาก ค, ความที่มันมองไม่เห็นเนื่องจากว่าถูกอวิชชาบางังนี่ก็เหมือนกับเป็นหมอกมาบังเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็น วิธีแก้ก็คือผู้เช่าให้ใช้เครื่องตรวจหาลูกศร น, นะเดี๋ยวจะพูดสมัยปัจจุบันก็เครื่องเอ็กซ์เรย์นะเอ็กซเรย์นะดูว่าไอหัวลูกศร น, นี่มันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เอานะมีดคมๆเนี่ยผ่าเปิดออกมาแล้วก็หยิบไอหัวลูกศรออกเอายาใส่เข้าไปแก้พิษนะซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจหาหัวลูกศร น, นี่ก็คือสตินั่นเองนะยามีดที่เปิดออกก็คือเจ้าอริยมรรคมีองแเออขอไปอริยะปัญญา นะเรื่องของปัญญาเป็นมีดคมคมมีดผ่าตัดที่เปิดออกเสร็จแล้วใส่ ย, ยาเข้าไปคืออริยามรรคมีองแปดเราก็จะอายจากโรคได้นะคะก็คือว่า่าท่านบอกว่าให้รู้ไว้เถอะว่าชีวิตเราเนะี่ยมันผูกพันอยู่กับตัณหาที่เหมือนเป็นเครื่องเหนียวเครื่อขายอะไรที่ท่านว่านะคะแล้วมันก็ทำให้เราจมจมอยู่ในสังสารวัตแต่มีวิธีนาออกได้ด้วยการที่เข้าถึงอริยามรรคมีองแปดค่ะ หรืออย่างอย่างเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้เดชเชนกำลังจะถามพอดีเลยอตอนนี้อยากรู้แล้วเรื่องแผ่นดินไหวกระต่างาอากว่าสมมุติว่าคนที่เขาพูดไปก็พูดไปหลายอย่างนะว่าเหตุตรงนั้นเหตุตรงนี้อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยจะทำใไม่เกี่ยวข้องได<ช>้แผ่นดินไหวมีปัญหาแน่ถูกไหมปัญหาแล้วทางแก้อยู่ที่ไหนแตทางแก้คุณก็แก้ไปตามตามโลกเนี่ยตางโลกก็แก้ไปตามเหตุต่างใจใช่ไหมถนนพันงคุณก็ซ่อม ตึกรามบ้านช่องเสียหายเราก็ซ่อมแซมไปอันนี้เราก็ต้องแก้ไปตรงนั้นแต่ใจของเราเนี่ยถ้าคนที่มีตัณหารัดรึงอยู่มากเนี่ยจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่มีตนารัดรึงอยู่น้อยเนะีเพราะว่าเขาจะใจของเขาเนี่ยด้วยความที่มันถูกรัดรึงเนี่ยมันก็จะตรงนั้นมาเกี่ยวตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นตรงนั้นดว้วยมันจะทุกข์มากทีเดียวนะเราจะแก้ปัญหารตรง น, นี้ได้ไป เ, เราคุณก็แก้ไปแต่ใ น, ในใจเนี่ยคุณจะต้องลดละตัณนานี้ให้หมันมากโนะดยการทรงไว้ซึ่งทำมาให้มาก เราก็จะสามารถที่จะคลายความทุกข์ในใจของเราได้นะค่ะคือยึองเข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ๆเราก็เวทนาเขาทั้งข้างสงสารเห็นใจบางคนส่งเงินไปช่วยอืมแต่พอมาเกิดใกล้ๆบ้านเราเฮมันเกิดในเมืองไทยเหรอหมอดูคนนั้นทํานายไว้อย่างนี้เดี๋ยวต้องไปค้นดูแล้วหมอดูคนไหนเป็นคนทํานายไว้ว่าจะเกิดมีภาคเหนือตายละว่ามีหมอดูอีกคนนึงทำนายว่าจะมาเกิดกลางบ้านฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ ม, มันก็วุ่นวายกันเป็นวุ่นวายอันนี้เป็นอนํานาจของตันหาแน่นอน ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะกราบเรียนถามท่านเลยได้ไหมคะว่า<ช>พระพุทธเจ้าที่ท่านศึกษาวิชาของพระพุทธองอยู่เนี่ยจะทําให้พวกเราที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้เนี่ยนะคะสบายใจได้เช่นไรคะท่านคะอัอนดับแรกเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นที่มันร้ายแรงกว่านี้เราก็เคยเห็นมาก่อนแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่มันใกล้ตัวเรามากกว่านี้เราก็ยังเคยเห็นอยู่ นะ่ยไม่ใช่แค่ไัยพิบัติอาจจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บไม่ใช่อาจจะแค่โรคภัยแค่เจ็บอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้แน่ทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เจ้าเตือนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยในอนานคตที่เกิดขึ้นได้เตือนว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะดำอย่างไรให้จิตใจของเรายัางผาสุกอยู่ได้นะเราทําได้วิธีการมนะีวิธีการที่จะทําให้จิตใจของเราผาสุกเนี่ยไอเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันคุณหยุดไปก่อนนะให้ใจของเราเนี่ยทรงไว้ในอริยมรรคยงแปด เพราะว่าไอ้ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนรอดคนรอดก็มีใช่ไหมคนที่ตายก็มีละคนที่รอดชีวิตอยู่ก็มีแต่มันมีภัยอันหนึ่งที่ว่าไม่มีใครเลยที่จะรอดชีวิตได้นั่นคือเรื่องของความแก่ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า บ, บิดว่าเรามาทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ว่าไอ้ใจฉันจะต้องมีทรงเรีย ม, มักมีวงแหวไว้นะต่อให้สถานการณ์จะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามเอา้าเราต้องรักษาศีลงา น, นจีจางเราจะต้องไม่ คิดในทางไม่ดีอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความตกรธตกใจบ้างแต่ก็อยากให้เป็นเป็นอกุศลนะทาอย่างเงี้ยเราชื่อว่าเรารักษาจิตขอเราให้อยู่ในแดนกุศลละนะเป็นผู้ที่ชื่อว่ายังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้แน่นอนตรงนี้นะจเจริมบอนคือต้องเข้าใจดิฉันจำได้ว่าท่านเพิ่งจะพูดถึงเรื่องประสูตนนี้ไปเมื่อไม่นานมากนัก น, นะคะยังอยู่ในสมองดิฉันที่จําได้ว่ามีรู้สึกที่เป็น เป็นพระจักรพรรดิใช่พระเจ้าประเสนิโกศลใช่ไหมคะที่มาถามพระพุทธองค์ว่ายังมีกิจใดที่ต้องา้เรนีอคยังมีกิจใดที่ต้องทําหรือไม่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างคือตอนนั้นพระเจ้าเปเสนิโกศลเนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพตวีบะมาถามพระเจ้าว่าต้องต้องทําอะไรอีกพะพุทเจ้าก็ยกว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมหาศารเลยคือมีภูเขาหินะกลิ้งเข้ามาทั้งสี่ทิศหลบหนีไม่ได้ละ น่นจะทำยังไงซึ่งตรงนั้นรพระเจ้าเปรตนิโคสนก็เลยงั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมสนะิปฏิบัติธรรมรักษาธรรมไวนะ้เพราะว่าถ้าตายไปก็จ ะ, จะไปสู่ที่ดีถ้ายังไม่ตายไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความสุขนะซึ่งรพระเจ้าก็เลยเปรียบเทียบกลับให้ฟังว่านี่แหละความแก่ความตายเนี่ยมันมาที่จะบทบี้สัตว์ทุกอย่างอยู่นะเราก็ต้องทรงไว้ซึ่งธรรมนั่นเองค่ ะ, ะก็เป็นเรื่องที่ ทำความเข้าใจให้ดีก็คือภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะฆ่าชีวิตคนเป็นจานวนมากในคราวเดียวกันและเกิดใกล้บ้านเราด้วยบางทีเราอาจจะเป็นผู้รอดแต่ต่อให้รอดอย่างไรวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ค่ะถ้าตีประเด็นนี้ให้ออกก็อย่าใจเย็นแล้วก็ไม่ได้เสียเปล่าเลยที่จะเร่งรีบในการที่จะปฏิบัติอืม แล้วภัยพบิบัติบางอย่างเนี่ยเขามีเครื่องมือแก้ไขใช่ไหมตึกรามนช่องอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันแม่พังการเตรือนภัยระบบการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือกันอันนี้มันยังช่วยกันได้แต่ถ้าเบิดว่าภัยคือความแก่ความตายเข้ามาเนี่ยต่อให้มีกองพลกองทหารอาสาสมัครก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ต่อให้มียารักษาโรคชั้นดีหน่วยปฐมพยาบาลคนที่มีเวทมนตรต่างๆก็ยังช่วยไม่ได้ เราจรึงต้องรักษาจิตของเราให้ได้ตรงนี้ค่ะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าของเราซึ่งไม่ใช่เป็นครูผู้สอนธรรมดานะคะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกซึ่งสอนได้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ตรัสสอนเราเอาไว้เช่นนี้ส่วนท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้หรือไม่ก็ลองเปใคร้ครวญจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อนำมาไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น กราบน้สักการขอบพระคุณท่านพิบูลไปอย่างยิ่งเลยนะคะน้อสักการคะ่ะต้งฝั่งที่ครบคะ่ะและเนื่องในโอกาสที่จะถึงวันวิสาขบูชานะคะทางสถานีวิทยุสทรอ FM เอรกเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อดีๆชื่อว่าก่อการบุญแล้วเป็นการเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ท่านที่มีจิตเป็นกุศลอยู่แล้วนะคะอาจจะไปร่วมตั้งซุ้มบริการอาหารทําโรงทานให้กับคนที่เราประชาสัมพันธ์ให้มาเวียนเทียนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับพระสงฆ์กับเวียนเทียนกันในวันพุธเนี่ยนะคะตั้งแต่3ามโมงเย็นถึงสองทุ่มที่วัดปฐุมวนารามค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เขาก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ฟังรายการต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ฟังรายการของเราสันนีสฐนนานเนี่ยได้เปิดโอกาสให้20ที่ นะคะให้ไปร่วมบุญกันท่านที่สนใจท่านลงทะเบียนก่อนหนึ่งหรยี่สิบค น, นก็จะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของเขานะคะโดยสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์ศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ดรวยไปจนกระทั่งถึงวันที่8ดค่ะหมายเลขโทรศรัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์สอง หนึ่งสองหกหกหนึ่งศูย์หค่ะกิจกรรมของผู้ที่จะร่วมกันก่อการบุญนะคะสำหรับรายการศาสนีสนทนาในวันนี้เราก็คงจะลาท่านทั้งหลายไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคทวสวัสดีค่ะ